มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาปัญจมวักพุทโธอนุตตะภาวะชาณะปัญหาที่สาม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 ทำไมชื่อจึงยังปรากฏลือชาอยู่จนการบัดนี้พระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การแก้ไขว่าพันเตนาคเสนฆะ่าแต่พระน้ า, าเกษนเป็นด้วยเลขท่านบอกไว้นั้นยังปรากฏอยู่จึงรู้ว่าพระอาจารย์ติสสะเถระเลขท่านดีพระน้ า, าเกษนจึงมีเถระวาจาถวายพระพรว่า